วันนี้พวกคณะทีมสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสท อ, อ, อักสอนยอดสอเสือสชลาททงข้าราชการบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการไม่เกิน3มปีจำนวน64คนหญิง25ชาย39และผู้ติดตามรวม69คน จะมาวันนี้ตอนเย็นแต่ตาไม่จริงหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้มาตะวันตะวันสักหน่อยเพื่อจะได้เดินทัศนศึกษาภายในวัดพระเป็นอยู่อย่างไรเพราะนั้นดะูๆนะครูบาทั้งหลายให้ช่วยปัดกวาดด้วยอาจจะให้พวกคณนะนี่แหละพวกในพวกหัวแหลมเล อพวกนี้มันพวกเหรียญทองทั้งนั้นแ่ะที่เขาเออกมาให้เป็นมันสมองพัฒนาสังคมแห่งชาตินี่เขากำกำลังจะเริ่มเขียนแผนที่สิบเอ็ดหละเพิ่มเขียนแผนที่สิบเอ็ดนะเพื่อพัฒนาประเทศนะทือว่ามาวันนี้ตอนเย็นนะมาก็มาเจอฝนอีกต่างหากนะแล้ววันก่อน หลวงพ่อก็ไปไปชมที่วัดป่าบรรตาดเมื่อวานนี่ก็ไปอีกนะไปสองวันวันก่อนไปหลวงปู่วัดโพธิสมพรพระอุดมญาณโมลีณ น, น, นัดคณะพระทั้งหมดทั่วภาคอีสานเข้ามาการาบครวะหลวงตาพร้อมกันวันที่สิบ้าบ่ายโมงเที่ยงครึ่งจนะมาเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะั่นะ โอ้พระมากเลยเป็นสามพันหลวงพอว่านะสาลาบักใหญ่เต็มหมดเลยแล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้คิดแต่ปีนี้ในเมื่อหลวงปู่กับหลวงอุดรมยานโมลีนั่งเกียงคู่กันจกคุณปรมยานโมลีเก้าสิบแปดหลวงตามหาบัวเก้าสิบหกสิบสองแปดเก้าสิบกปีนี้ แปลว่าครบรอบสิบสองแปดแปดรอบวันนี้เราเ็ว่าวันที่สิบห้าเราก็เลยทำวัดคารวะมุดน้าดำหัวทั้งสองพระองค์วกลูกศิลูกหามุดน้าดำหัวกราบคารวะองค์หลวงปู่ทั้งสองพร้อมกันทั้งฝ่ า, ายคารวดญาติโยมและฝ่ายพระสงฆ์พระสงฆ์หตวงพ่อวัดสามพันเนี่ยคิดว่านะมากขนาดนั้นะ่ะ แล้วก็พอครวะเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็มีการประชุมหาหลือกันเรื่องสถานีวิทยุเพราะว่าวันที่สิบหตอนเช้า9้านาฬิกาทางเลขาทาั้งนั่นคณะกรรมการกศชกทชก็คือโทรศัพท์กสชก็คือวิทยุคลื่นวิทยุ และกทระทบกระทัดมากราบคารวะองค์หลวงตาก็มาชี้แจงให้คณะสิทธิ์ฟังเพราะว่าวิทยุของพวกเรานี่ของหลวงตาร้อยเก้าสถานีอันนี้ที่บ่งบอกแต่ที่ยังไม่ออกเข้ามาก็ยังคงจะมีอยู่ที่จะจดทะเบียนลงทะเบียนเอาไว้ว่าให้อยู่ในกลุ่มขององค์หลวงตาอย่างของเรานี่ก็เป็นสถานีหนึ่ง ที่เข้ามาในกลุ่มของหลวงตาเพื่อประกาศเผยแผร่ธรรมะเมื่อวานนี้ก็เลยเมื่อก่อนก็ได้หาจุดยืนวันที่15บห้ชุมกันหาจุดยืนวันที่16บหทางเลขาทางด็ตรนัททีสกลรัตน์ที่ท่านก็เลยมากับคณะของท่าน5องค์ท่านกมาชี้แจงให้แก่พวกเราได้ฟังก่นรู้สึกว่าเป็นที่พอใจ เข้าใจว่างไงเนี่ยแอเข้าใจว่าเรื่องราวมันมาเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงเพราะท่านอยู่นี่ในหัวเรื่องอยู่ในหัวแถวว่าไงเถอะเออมันเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงและจะเป็นไปอย่างไงแอบพวกเราก็ได้เข้าใจเมื่อวานนี้กว่าจะเสร็จได้ก็เที่ยงพอดีจากนั้นก็หารือกันต่อแล้วก็รอกาบครวะองค์นองตา หลวงตาไปสกลคนครเมื่อวานไปกราบที่พิษพันธุ์หลวงปู่มั่นพอกลับมาเห็นหลวงตาแล้วโอ้หลวงตาเ อ, อโเศเสมากเลยปีนี้นี่คืกว่าโเศเสมากกว่าทุกปี อ, อตาไม่จริงกับยังว่านั่นนะชะลานะแต่ท่านก็ไม่บิตกกังวลหรอกเรื่องธาตุเรื่องขันของท่านท่านไม่ได้วิต ก, กว่า ง, งั้นะออแต่พวกเราน่ะ คณะสิทธิญาณุสิทธ์ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยมิตกว่างั้นแต่องคขัน้นน่ยท่านรู้รู้รอบขอบซิ์แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแก่เจ็บตายถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานไม่พิจารณาถึงแก่เจ็บตายเราจะพิจารณาจะพิจารณาอะไรแต่ละวันน ะ, ะกว่านั้นถึงจะทําใจหรือไม่ทําใจก็เพียงแต่รู้ไวเท่านั้น มันต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ครูบาทั้งหลายที่มาบวชในพุทธศาสนาหลวงพ่อเองีจะไปช่วงนี้ก่อนรู้ตึกวิตกกังวลห่วงลูกหลานอยู่เหมือนกันแต่ถึงอย่างไงก็พาลูกพาล้านทั้งหลายก็เป็นผู้ได้รับการศึกษามาดีด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าจะนำมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเอง วิชานี่พวกเราเรียนมาแล้วรุนแล้วจะเป็นปริญญาตรีหรือว่ได้รับการศึกษาทางโลกมาพอสมควรบางทีบางท่านก็เรียนทางวิชาธรรมมาค้าขายวิชาราชการเป็นครูบาอาจารย์ได้รับการศึกษามามากมากนะแต่บัดนี้พวกเราเข้ามาเรียนจริยะ จรยะคือความประพฤติประพฤติความว่าประพฤติคำนี้นะ่ะทางกายทางวาจาและทางใจในหลักของพระพุทธศาสนาวิ ช, ชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติในอิติปิโสถ้าพวกเราได้สังเกตในการสวดอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิว ช, ชานะวิ ช, ชาคือความรู้จรณะสัมปันโนสุขโตโลกกวิทูนะ นี่ค่ะวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติแต่ทุกวันนี้โลกทั้งโลกมีอสอนวิชาให้แก่กันและกันแต่ความประพฤตินั้นควรทํำยังไงควรทําตัวยังไงก็คือใช้กฎหมายเลยทีนแต่ตามที่จริงน่าจะสอนไปพร้อมกันวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติแต่ก่อนคนโบรโบราณเขาเอาหลักของพุทธศาสนาเข้ามาสอนลูกสอนหลาน ให้ลูกหลานประพฤติตนอย่างไรให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรอย่างพวกเราเข้าไปกราบองค์หลวงตาไปครวะหลวงตาเมื่อวันที่สิบพ่าหลวงตาไม่ได้พูดมากกันว่าเออเราเป็นไข้หวัดนะลูกหลา น, น, นเราพูดอะไรไม่ได้มากวันนี้มันเผือเพือมันจะเป็นไข่อยู่เป็นไข้หวัดนะคนแก่ตันก็พูดว่าเออลูกหลานได้มาเอคล้ววันนี้ อมาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีวิยวุฒิคุณวุฒิอันนี้คือทางที่ถูกต้องสำหรับพวกเราทุกคนถ้ามีความมีความอ่อนน้อมต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อวิยวุฒิคุณยวุฒิออย่างนี้ก็เป็นหนทางที่ถูกต้องเออคำว่าอ่อนน้อมคํานี้เนี่ย ใช้ในที่ทุกสถานถ้าสมมุติว่าโจรจับเราเนี่ยอจะฆ่าจะตีเราอย่างเนี้ยเพอเราหมดอํานาจเขาที่มีอํานาจเหนือกว่าจเจ้าะขมิบเราอย่างเนี้ยเราก็ยกมือไหว้เขาซะขอยอมยอมอ่อนน้อมถ่อมตนยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างขนาดเขาเป็นมหาโจรเหี้ยมโหดขนาดไหนเขาก็ยังให้อภัยได้ ก็ เ, เหตุไรเพราะเราอ่อนน้อมถอมตนนะถ้าว่าเราแข็งกร้าวต่อเขาเมื่อเขาขู่มาแล้วก็ยกเท้ายกกำปั้นใส่เขาเขาก็ฆ่าเราตีเราตัดคอเราได้ไง่ายๆอย่างเเหตุไรเพราะเราแข็งต่อเขาเพราคนนั้นการอ่อนน้อมถอมตนใช้ได้ใช้ได้ในที่ทุกสถานพราะฉะนั้นการอ่อนน้อมถอมตนต้องฝึกเอาไว้นะนี่แหละคือลงตาท่าน แนะนำสั่งสอนวันนั้นฟังดูแล้วเป็นคําพูดชั้นๆแต่ก็มีความหมายลึกซึ้งสรุปแล้วก็คือให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักการเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลการเช่นนี้เราควรทํายังไงบุคคลคนนี้เมื่อเข้าไปหาควรทําตนอย่างไรให้รู้จักนี่แหละหลักของพระศาสนาสอนให้รู้จักวางตัวอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ด้วยกัน แต่เป็นเรื่องส่วนตัวทีนี้อย่างพวกพระของเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนามีคำถามในใจว่าเออหลวงพ่อจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยจะให้ผมปฏิบัติเรื่องสมาธินี่จะทำยังไงอ่าอันนี้คือทํอาบิดเป็นคำถามขึ้นมานแต่หลวงพ่อตั้งคำถามขึ้นมาเองแหละแต่ว่าบางทีอาจจะมีผู้ถามอย่า ง, ง, น, างนั้นเหมือนกันแ่ะ ถ้าหาว่าผมจะปฏิบัติจิตภาวนาเนี่ยจะให้ผมทำยังไงไอ้เรื่องศีลเนี่ยก็คือศีลสองยีสิบ็คืออย่างที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสั่งสอนอยู่ในตำรับตำราผมก็พอจะอ่านพอจะศึกษาได้แต่สมาธิเนี่ยผมอ่านเพียงหนังสือเท่านั้นมันต้องอาศัยการปฏิบัติทางจิตใจด้วยและก็จิตใจนี่ก็มันมองไม่เห็นอีกต่างหาก มันจับได้ยากอีกต่างหากคําว่าใจใจอย่างเนี้ยผู้รู้ผู้รู้อย่างเนี้ยไม่รู้มันอยู่ที่ไหนมันเรื่อนมันเคลื่อนมันไหวได้เร็วเร็วมากๆเนอย่างคิดถึงอเมริกาแดงนะนุ่นคิดล่ะรอบโลกทั้งรอบละ่ะนะขนาดจะยิงปืนแล้วยิงจรวดเนี่ยยังงวงเงีย้ยงวงเงียอยู่งั้นเถิแต่จิตของเราเอ า, เอารอบไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วมันเร็วถึงขนาดนั้นอะใจของเร า, ใ จ, เราใจของมนุษย์ เพรานั้นจะจับยังไงจึงจะจับอยู่จะทํำยังไงจะเริ่มต้นยังไงจะให้พวกผมทํำยังไงในเรื่องเบื้องต้นเใช้คำว่าจะอ่านหนังสือได้ต้องเขียนตัวไหนก่อนเยครูบาอาจารย์เขาต้องบอกให้เขียนกอไก่ก่อนถ้าเขียนกอไก่ได้แล้วก็พยายามเขียนขอไข่ไปเรื่อยๆจนถึงหอนุขูอ่อันนี้ก็เหมือนกัน่ะการจปฏิบัติธรรม เราจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนหลวงพ่อว่าให้พวกผมเริ่มต้นตรงไหนก่อนเรื่องทาสมาธิหลวงพ่อบอกได้เลยว่าให้มีสติสัมปะชัญญะเป็นอันดับแรกนะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราทาอะไรอยู่เรานั่งอย่างไรอยู่เราหลับตายอย่างไงอยู่ การเคลื่อนไหวของร่างกายกเรอมีอะไรบ้างในขณะนี้อันนี้สติสัมปชัญญะนี่นะกุญแจดอกสําคัญถ้าจะว่าเขียนเป็นกอไก่ก็คือตัวกอไก่ระบบงาน ต, ตัวนี้เขียนกอไก่เลยล่ะสติสัมปชัญญะนีะ่ในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเริ่มมีนะจากนั้นเราจะเอาจับที่ตรงไหนเบึญญัติจะอยู่ได้นาน ถ้าว่าจับในร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายจะอยู่ในร่างกายก็ได้แต่ว่ามันส่วนใหญ่เกินไปมันกว้างขวางเกินไปท่านจึงให้จับที่ปลายจมูกอ่าเพราะว่าคนเนี่ยคนตายเทนั้นแหละไม่มีลมนะเราคิดดูกันแล้วกันแต่คนยังมีชีวิตอยู่ต้องมีลมลมหายใจเข้าออกต้องมีลมทุกคนต้องมีลมลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะจับยังไง หลวงพ่อว่าจะให้พวกผมจับยังไงแต่ตามให้จริงพอกําหนดดูแล้วก็มันจับไม่อยู่เพราะไม่เคยจับไม่เคยดูมาก่อนเลยแล้วจะจับยังไงวิธีการจับลมนั้นนี่หลวงพ่อก็จะแนะนําว่าอันดับแรกทุกคนเมื่อเราไม่เคยจับลมเราหายใจทดลองหายใจดูสิหายใจแรงๆดูสิสูดลมหายใจแรงๆเข้าเต็มปอดแล้วก็ปล่อยลมแรงๆออกมา แล้วก็สูดลมแรงๆเข้าไปให้เต็มปอดสูดปล่อยลมออกมาเต็มแรงเอาสักสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งสิบครั้งเนี่ทีนี้เรารู้แล้วว่าลมมันกระทบที่ไหนเมื่อลมเข้าออไปนะมันเข้ารูไหนมันเข้าทางตาใช่ไหมเออหรือมันเข้าทางปากหรือมันเข้าทางผิวขนมันก็เข้ารูจมูกชัดๆเลยทีนี้เอสองรูนั่นแหละมันกันเถอะ เออมันเข้าหูจมูกของเราทั้งสองข้างนี่แหละเออเรือเราจะปิดอีกข้างหนึ่งก็ยังได้ให้มันเข้าข้างเดียวสิเออเรือเราไม่ต้องปิดเอาปลอยให้มันออกเข้าทั้งสองข้างดิลมมันเข้าข้างไหนแต่งับปากปิดปากให้ดีนะเออลมไม่ได้เข้าทางหูลมไม่ได้เข้าทางปากลมไม่ได้เข้าทางตาลมไม่ได้เข้าทางผิวหนังลมเข้าจมูกอ่าเมื่อลมเข้าจมูกหายใจแรงๆเข้าไปไม่ต้องตามลมเข้าไปนะ ไม่ต้องตามลมก็ไปถึงปอดเพียงแต่ว่าเอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกในขณะที่ลมสูตรลมก็ไปแรงแรงแลวก็ปล่อยลมออกมาแรงแรงมันกระทบที่ไหนหายใจเข้าแรงแรงมันลมมันผ่านที่ไหนหายใจออกแรงแรงลมมันผ่านที่ไหนแต่นี้พอเรารู้ว่าลมมันผ่านที่ไหน เราก็ผ่าปล่อยลมตามปกติผ่อนผ่อนผอนผ่ผ่ลงผ่อ น, อ น, อ น, อนลง yup. นลจนปกติเป็นปกติของลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเราอยู่ทั่วๆไปที่เราไม่ได้กำหนดลมมันเป็นอย่างไรมันก็มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพียงแต่เราไม่ได้จับมันต น, นเองเราไม่ได้สังเกตมันเท่านั้นเองแต่บัด น, นี้เราสังเกตเราจับเอาสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกที่ไที่ลมกระทบ ตอนี้เราก็รู้พอจะรู้ได้แล้วทีนี้พอหายใจเข้าเราก็รู้ลได้ละลมกระทบที่ไหนเราก็เอาจิของเราจับจิตตรงนั้นเออเวลาหายใจเข้าเราก็บริกรรมว่าพุทธเวลาหายใจออกเรากบริกรรมว่าโทหายใจก็พุทหายใจออกโทพุทโทพุทโททีนี้แต่อย่าไปแต่งลมนะอย่าไปแต่งลมอย่าไปกั้นลมเออ เป็นเสียเราจะกัน้นกั้นทดลองดูอันนั้นก็ไม่ว่ากันกั้นหายใจปิดหายใจดูสิมันเป็นยังไงความรู้สึกจุดที่มันหายกั้นลมแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของแต่ละท่านแต่ละคนแต่นี่ถาว่าไม่ไม่กัน้นไม่ทดลองกั้นดูกั้นลงแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็ทดลองสิเป็นยังไงอันนี้คือเราให้สังเกตในการลมหายใจเข้าออกของเราในเมื่อหายใจเข้าหายใจออก แต่ไม่ต้องตามลมออกไปอีกไม่ต้องตามลมเข้ามาหาปอดอีกไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงท้องเพียงแต่ว่าให้มีสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวรู้ว่าลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกผ่านตรงนี้แน่นอนเพราะเราไม่ตายนี่แหละให้มีสติอยู่จุดนั้นถ้าหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่า การจับลมหายใจเข้าออกนี้ให้เหมือนเราไปยืนอยู่ข้างประตูนะข้างประตูถ้าคนเข้าไปเราก็รู้จักว่าคนเข้าไปแต่เราไม่ต้องตามคนเข้าไปว่ามันไปถึงไหนบ้างเราไม่ต้องตามคนออกไปทั้งนอกเราก็ไม่รู้ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่ว่าเรายืนอยู่ข้างประตูรู้ว่าผมคนเข้าไปรู้ว่าคนออกมาคนผ่านประตูเข้าผ่านประตูออกเท่านั้นเอง ให้มีสติอยู่จุดนั้นเพียงแค่นั้นนี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการจับเบื้องต้นให้พวกเราตั้งตนอยู่ในจุดนี้พยายามอยู่จุดนี้ให้ได้ถ้ามันเผลอไผลไปทางอื่นเผลอพัดไปทางอื่นพยายามดึงกลับมาให้มาอยู่จุดนี้และมันเผลอไปทางไหนให้กลับมาไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตอดีตที่ผ่านมาเรื่องเราเป็นยังไงไม่ต้องคิดบังคับไม่ต้องคิดในขณะที่เราจะนั่งภาวนา แล้วเวลาคิดในอนาคตไม่ต้องคิดหยุดไว้ก่อนเราคิดมามากตโตมากแล้วมันได้อะไรในการคิดของเราน้นๆ น, น, นี่แหละให้พวกเรามีสติอยู่จุดนี้เท่านั้นละ่ะทีนี่แต่เวลาเดินห ล, ลงพ่อเวลาเราเดินก็นอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำวิธีการเดินให้แก่พวกเรามือประสานเรียบร้อยแล้วก็ก้าวเดิน ขาขวาพุทธขาซ้ายโถเดินตามปกตินะไม่ต้องเดินช้าถ้าเดินช้ามันเวียนนะเดินตามปกติคือการเดินก็คือเป็นการเดินกายบริหารออกกําลังกายอยู่ในตัวให้กายมีการเคลื่อนไหวแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวของร่างกายขาขวาพุธ ข, า, ธขาซ้ายโถขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถเดินนานไหมเอาจนเหนื่อยว่ากันเถอะ อ่อนเหนยว่าแล้วเงือแตกวต่าอะไรก็แต่พยายามเดินให้มากที่สุดเอบังคับให้อยู่กับการก้าวเดินะแต่หลวงพ่อว่าอย่างพวกที่อยู่หลังวัดเอเดินทางปูลซีเมนเวลาตอนเช้าหรือว่าเวลาเราเดินตามปกติหลวงพ่อว่าเอ้าวข้าพเจ้าจะเดินเป็นการเดินโยกลมในตัวกลับที่พักให้นับก้าวเดินตัวเองเลยเอขาซ้ายหนึ่ง ขาขวาหนึ่งหนึ่งคือเลขเลขขี้ใช่ไหมละ่ะสองคือเลขคู่สามคือเลขขี่สี่คือเลขคู่ห้าคือเลขขี่หกคือเลขคู่นับไปเรื่อยๆครับว่าวเราเดินไปหนึ่งสองสามจนถึงร้อยแล้วกันหนึ่งใหม่อีกถึงร้อยหนึ่งใหม่อีกถึงร้อยถ้าหาว่าเราเดินไปถ้าขาขวาเป็นเลขคู่แสดงว่าสติเราขาดแล้ว อไม่ต้องถามใครหรอกโอสติของเราดีหรือสติของเราไม่ดีสติของเราพร้อมขนาดไหนสติของเราขาดมากขนาดไหนเราจะได้สังเกตดูดตัวเองถ้ามันขาดมากๆเออไม่ไม่ไหวละค่าเลยนะอีกสักวันหนึ่งข่าเนี่ยเป็นบ้าแน่นะเป็นลักษณะอย่างนี้สติของเราขาดมากทําไมมันแย่ถึงขนาดนี้สติของเราทั้งที่มันจะรู้ได้ว่ทาทั้งที่มันจะสม่าเสมอมากกว่านี้ แต่นี่ขาดปูดขาดปัดนับสองสามเก้าก็ขาดไปแล้วนับสองสามเก้า็ขาดไปแล้วถ้าเผลอมากกว่านี้เราเนี่เป็นบ้านีนะสงสีธัญญาแนนบ้าฮะต้องถามให้คิดอยู่อย่างนั้นเนีเพราะฉะนั้นต้องตั้งหม่เอยขาขวาหนึ่งขาซ้ายสองขาสามสี่ห้าหกเ5็ดแปดเก้าสิบเราจะรู้ได้โดยตนเองถ้าหากว่าเรามีสตินับถึงร้อยไม่เผลอแสดงว่าสติของเราเริ่มดีแล้วนะจนี่ เริ่มดีแล้วอยู่กับตัวแหละต่อไปเราจะไปนั่งภาวนาเราจะกําหนดตัวไหนและกัพิจารณ า, าอะไรนี่แหละขั้นตอนต่อไปขอให้พระลูกพระหลานอน้องหนุ่งทุกองหนะ้าให้ตั้งอกตั้งใจนะออย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อแนะนําไม่ผิดก็แล้วกันนะคือสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัำปัญญะและถามให้จริงถ้ามันมีมันเผลออย่าหลวงพ่อ ขนาดกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันยังเผออยู่นะให้บริกรรมให้ถี่ก็ได้ใชบริกรรมให้ถี่ขณะเรานั่งอยู่ให้กําหนดดูจิตดูใจของตนเองบริกรรมสำทับเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทให้มีความรู้สึกให้ถี่เลยนะเด็กไม่ให้มีช่องว่างที่มันจะออกได้นะไม่ให้มีช่องว่างของใจของเราที่มันจะหลุดออกไปได้ให้อยู่กับพุทโธตลอดเป็นยังไง แต่อย่าไปเพ่งอย่าไปกั้นใจและอย่าไปทําอะไรนะเพียงแต่ว่หลับตาเห็นแบบสบายๆเลยก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธเท่านั้นเองนะแต่ถ้าว่าเราทําแบบเคร่งเครียดลงไปมันปวดศรีรษะได้ง่ายเหมือนกันนะมันปวดศีสาเพรเปื้หายใจจะไม่อิ่มเอาพอเราไปกั้นใจแล้วไปตั้งมันมากเกินไปอันะนั้นไม่ถูกต้องนะคือให้มันเป็นปกติให้เป็นตามธรรมชาตินะ เพียงแต่ว่าให้เรามีสติสัมปชัญญะในการรู้เห็นออการก้าวเดินการทําำกับภริยาอะไร อ, อย่างนี้ถ้าว่าเรามีสติอยู่อย่างนี้ได้นั่นแหละธรรมะขั้นอื่นต่อไปเราค่อยว่ากันในเมื่อเราเขียนกอไก่ถึงหอนกโคกได้แล้วสล ะ, ะ, ะ, ะอาสละอาสลีสลูสโอสลู เอออูเออจบแล้วทีนีแล้วยังค่อยมาผสมเท่า ไ, ไห ม, มาผสมกอไก่สละอากากอไก่สละอูปูไปเรื่อยละ ว, วันเนี่ยเนอแล้วก็ค่อยผสมประสานกันอันนี้ก็เหมือนกันนะอันดับแรกมีสติสัมปชัญญะให้ดีซะก่อนอจากนั้นเราก็เมื่อเรามีสติเรารู้แล้เราเรียนกอไก่จนหอน้องฮูกแล้วก็สระอา ก็จบแล้วจากนั้นเราก็มาผสมมาผสมก็คือพิจารณาแล้วถึงในเมื่อมีสติสัมปชัญญะพอสมควรแล้วลเรานํามาพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วบ่กวิปัสนาฮวิปัสนาก็คือวิปัสสนึกนึกคิดให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเนี่ยตายแน่ใช่ไหมหรือไม่ตายร่างกายอยู่ในข้างในเป็นกระดูกใช่ไหมหรือไม่ใช่ฮ ถามด้วยซิสินี่มันจะเห็นได้ชัดเลยสินี่เพราะว่าสติของเราดีแล้วต่างจากคราวก่อนที่เราไม่ไม่มีสตินะแต่คราวก่อนเราไม่มีสติสติของเราไม่ดีคิดอะไรค็ เ, เือนลางคล้ายๆกับ ม, มันเรือนลางบมง่งั้นแต่มันไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิดีแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะนั้น เรื่องสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งอดอกกุญแจดอกแรกเพราะงั้นแหละ เ, เหมือนกับเราจะเปิดเข้าไปในห้องนะเราจะทํายังไง เ, เ, เราจะเอานิ้วมือจิ้มก็ไม่ไม่มันก็ไม่ออกใช่ไหมเราจะเอาลิ้นเข้าไปเลียมันก็ไม่ออกลูกกุญแจนะมันต้องหาลูกกุญแจของมันเองแยงเข้าไปแล้วก็เปิดอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะเราจะใช้ความคิดอย่างอื่นปรุงฟุ้งซ่านอย่างอื่นเอาคณิตวิทย์อังกฤษ เ อ, อคิดทบทวนเข้ามาแล้วจะมาบังคับใจให้อยู่มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ไม่ถูกนะมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะ่ะเนี่ยที่จะบังคับจิตใจให้อยู่นิ่งให้อยู่กับตัวเออไม่ให้ปุง่งฟุ้งออกไปข้างนอกผลที่สุดเมื่อเราบังคับอ อ, อันดับแรกจัดว่าบังคับนะเอีอทําไมจึงว่าบังคับเหมือนกัเด็กนักเรียน่ะลูกหลานเห็นไหมมีเด็กคนไหนบ้างสมัครใหจเป็นนักเรียน่ะมีน้อยมากเออ คือคนที่สมัครใจไปโรงเรียนแสดงว่าเขามีอุปนิสัยเก่าอันนี้ก็เหมือนกันเน่ยคนที่มาฝึกขัดสมาธิเนี่ยพอนั่งสมาธิโอ้เขาชอบใจเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเคยเป็นลือีชีพายเคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนแล้วเขาเคยฝึกเรื่องนี้มาก่อนแล้วในอดีตชาติของเขาแต่เอาเถอะแต่ชาติที่แล้วนี่ก็ยังสู้สู้อย่างที่พวกเราสู้อย่างทุกวันเนี่ยตุปัตตุเปยทุลักทุเลทุลักทุเลตุปัตตุเปเมื่อชาติที่แล้ว พอมาชาตินี้โอ้ข้าในเบื่อชาติที่แล้วเนี่ยข้าก็นั่งมาบังคับจิตตัวนี้แหละโอ้มันยากเหลือเกินเนี่ยมันเบื่ออย่างนั้นเน่ยจะทํำยังไงได้เพราะเราต้องมีทางเดียวต่อการฝึกสติเท่านั้นอจึงจะควรแก่การงานได้เราจะปล่อยปะละเลยเราไม่ได้ฝึกฝนทางด้านจิตใจนั้นมีแต่ความหายนะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเพราะฉนั้นเราได้มาศึกษาในหลักธรรมคาสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติแนะนําสั่งสอนพวกเราแล้วพวกเราเห็นว่านี่แหละเรื่องสมาธิจิตสงบเป็นเบื้องต้นเนี่แหละอันนี้แหละคือทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเ อ, อมองไม่เห็นทางอื่นเราก็ต้องบังคับถึง เ, เมื่อกระเด็กเ อ, อชาติที่แล้วเขาคงจะขี้เกียจเรีเยรนหนังสือมาชาตินี้แล้วเขาก็ขี้เกียจสิ จะส่งให้เด็กไปเรียนหนังสือโอ้ล้องหม่มล้องให้เหมือนจะไปส่งไปเป็นล้มไปตายอย่างนั้นนะเด็กแต่ทํำยังไงผู้ใหญ่เห็นว่าอืถ้าปล่อยให้เด็กขี้เกียจเรียนหนังสืออย่างนี้อนาคตของเด็กโง่ก็เขาไม่รู้จักคุณค่าของการเรียนเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องบังคับอันนี้ก็เหมือนกัน เ, เราได้รับการศึกษาได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้ฟังจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าหรืสมาธิเท่านั้นที่จะบังคับจิตใจให้เดินปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงได้นีอันนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องบังคับใจของเราให้เข้าสู่สมาธิให้ได้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันผู้ใหญ่เห็นคุณค่าของการเรียนหนังสือแล้วถึงลูกหลานเออมันจะไม่พอใจไม่พอใจขนาดไหนจะร้องโ h o ร้องให้ขนาดไหนก็ตามต้องบังคับให้ไป ถึงจะรักขนาดไหนก็ต้องบังคับให้ไปให้ไปเรียนหนังสือเด็กคนนั้นไปเรียนหนังสือครบหมู่คบเพื่อนผลที่สุดครูก็รู้จักเทคนิคในการสอนอยครูก็สอนพอเด็กพยายามเขียนออพอเขียนได้บ้างเถอะเริ่มติดตรงเรียนเลยเริ่มเห็นคุณค่าเลยในเมื่อเริ่มเห็นคุณค่าอ่านออกเขียนได้รู้จักครบหมู่คบเพื่อนผลที่สุดเรียนปถมมัธยมปริญาตรีโทเอก จริงเห็นคุณค่าไปเรื่อยๆพ่อแม่บอกเอ้ยหยุดเถก่อนนะลูกนะวันนี้พ่อแม่มีงานนะให้มาช่วยงานเถก่อนโอ้โหไม่พอใจเลยเ อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทีแรกเราบังคับให้ทําจิตให้สงบนะทําสมาธิให้ได้นะให้มีสติสัมปชัญญนะนั่นมันก็เหมือนกับจูงหมาใส่ฝนเหมือนกันแต่เออมันมีสี่ขามยันไวทั้งหมดะมันไม่อยากจะออกไปสู่ฝนเหมือนกันแต่ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเห็นคุณค่าแล้วทีนี้ว่าสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจากนั้นมันเมื่อเห็นคุณค่าแล้วมันกระเด็กทีนี้เออมันขยันเองทีนี้ออบอกให้ถอยหลังเลยพักพรอยู่ธรรมดาใหม่เออจะทํำยังไงจึงจะจิตใจจึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีก น, ะนี่แหละ ในเมื่อเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วมันขยันเองทีนี่หมุนติ้วไปเลยอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเนี่ย น, น่ะอันดับแรกก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวขุญแกดอกแรกคืออะไรนะสติสัมปชัญญะให้ทํำยังไงกําหนดที่ไหนที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติตามที่หลวงพ่อพูดเนี่ย คิดว่าพวกเราจะรู้แนวทางและจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางถึงจะไม่ถึงเ อ, อจุดมุ่งหมายปลายทางจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบเพราะาได้มาฝึกฝึกจิตภาวนามาฝึกจิตมาฝึกใจในการบวชในครั้งนี้ไม่ได้ฝึกอย่างอื่นนะไม่ได้ฝึกวิชาภาษาองค์กดอังกฤษ ก, กฎหมายบ้านเมืองไม่ใช่กเกษตรอะไรไม่ได้ฝึกอย่างนั้น เรามาฝึ ก, กจิตนะมาฝึกหัวหน้าหัวหน้าคือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพวกเรามาฝึกเขาเนี่คือมาฝึกหัวหน้าให้หัวหน้ามีสินมีธรรมให้หัวหน้ามีเหตุมีผลให้หัวหน้ามีสติสัมปชัญญะนะ เพราะ น, นั้นมาฝึดหัวหน้านะคราวนี้เดี๋ยะไปคิดตอนเรามามาอย่างอื่นถ้ามากินมานอนมาขับมาถ่ายมาทำธรรมดาเฉยๆเดี๋ยแปลว่าเราคิดผิดแล้วเออแปลว่าเราขาดทุนย่อยยับผลปีแล้วว่างั้นเดี๋เออเพราะเราไม่รู้เอ่เราไปขุดทองที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งที่เขามาให้มาขุดทองเยทองอยู่ในพื้นดินนี่นะเออเรากลับไปหยิบไปไม้บังไปเออจ้องไปที่อื่นที่ไหนก็ไม่รู้ เออไม่ได้ถูกสู่จุดหมายปลายทางอันนี้ก็เหมือนกันรอให้มาฝึ ก, กจิตจิตภาวนาแต่เราไปเที่ยวไปพูดไปกินไปคบค้าสมาคมคมกันคุยกันคบค้ากันเป็นวันวันไปอันนั้นไรประโยชน์นะไร้ประโยชน์นะ ไ, รรชนไร้คุณค่า เ, เพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาศึกษาอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพวกเราจะอย่างน้อยกอ็ใจของเราก็จะได้รับความสงบหัวใจของเราสงบดี ออกไปเป็นคราวาญเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราก็วางตัวถูกเราคิดเราก็คิดไปในแง่เหตุผลการกระทําสิ่งไหนล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลลูกน้องบริวารภรรยาลูกหลานพ่อแม่ของเรายอมรับเราทั้งนั้นเพราะเหตุใดพวกเรามีเหตุผลเพราะจิตใจของเราที่ฝึกไว้ดีแล้วนะต่อเ น, นี้ไปรับพรนะจันทร์อนุโมทนาให้พร